you <laughs> แล้ว ท, ที่ออกนั้นซือเล่นที่อาจารย์กำปองเป็นเปลฟาเปลนั้นื้อแล้วก็ฟาให้อาจารย์ไว้ก่อไ <c oughs> ว้ก่อนแล้ว อ, อยากให้อาจารย์เขียนคําแน้นนามอะไรเนี่ยในในในหนังสือพิมพ์แเทว่าก็ตอนนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาเลยก็ <c oughs> เลยอาจารย์สุนใจอยู่แล้วสนใจมานานแล้วแต่ว่าการนี้ก็มีโอกาสดีมากเลจออาจารย์กำปองได้แล้ว อาจารย์เป็นคนพี่การทั้งแต่อายุ17ปีนะคะตอนที่ฝึกฝึกกีฬานะคะฝึกกีฬาแบบยิมนสติกยิมนสติกนลเลยแล้วก็อะไรนะหลน้ท่าอะไรบ้าเดียวเหรอเอลเลเอ็เอลเอลเอลเอลเอเอลเอเอลเอเอลเออเเเลเอ นางกว่าอาจารย์แล้วก็สิปีที่แล้วมาที่เมืองตัวเองนะโอกินาว่าสิบปีนมาสอนที่รีมาิทาลัยรีบคใช่ใชเราเจอกันที่กรุงเทพค่ะเจอกที่กรุงเทพเจอกันที่กรุงเทพแล้วเจอกันที่กรุงเทพฉันก็ทำงานเคยทางานกับคนี่การที่เมืองไทยในพวกเขาก็ทางานเรื่องคนี่กานที่สหประชาชาติแล้วก็เจอกันก็เจอกัน แล้วก็เปงานไปงานกันแล้วเข้ามาอยู uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ่ที่โอเคนาวะแต่ว่าไปที่เมืองไทยไปไปมาๆนะเรามีเพื่อนเยอะมากเริ่มกาพวกคนพี่ขันนะอยู่ที่ปักเกรดนะเราเพื่อนคนเลวเป็นเพืสีสังวาน่จะสีสงวานใ่มแถวเทวซอยนั้นนะคะถึงถึงสุดๆไม่กล้วัดชนประธานจงกระตาจงกระตหลวพ่อปัญญาชนประธาน อาจารณรงคุณต่อพงศ์ของคุณคุณต่อพงใช่รู้จักใช่ไหมเลยชีวิตไปแล้วใช่เราเคยทํางานด้วยกันในออฟฟิศนะคะคุเป็นเจ้านายรู้จักกันละรู้จักกันน่าจะมีประโยชน์มักจะคิดว่าผมพิการดูถูกจากคนอื่นได้การดูถูกได้รับกันดูถูกเขาดูเขาดูถูกแล้วหรืดูถูกแล้วใช่ว่ามีเขาบอกเขาคิดว่า ทุกคนน่าจะมีเป็นคนพิการแล้หเพราะว่าเป็นเป็นไม่ใช่ะโปาะร่างกายนะคะมองมองเป็นถ้ามองด้านจิตใจอะไรเนี้ยถ้าไม่มีถ้าอะไรยึดนั่นทึ่มมั่งก็เป็นก็เป็นพิการการการตั้งใจพิการตั้งใจได้เพราะเลยแต่เขาเลยทําให้อยากให้เป็นไม่อยากให้ตำมีานนี้เห็นเห็นตำมัเห็นจิตเห็นจิตอะไรเงี้ยใช่พิธีคิดได้ไหมอ่าพิธีคิดแล้วเราจะรู้ว่าใครเป็นคนพิการที่แท้ เดี uh ๋ย huh, วผมไม่ได้พูดแต่คนพิการฟังพูดแต่คนที่พิการใจเราจะรู้ว่าเราพิการนึกจริงนึกเปล่าดูทางจิตใจผมผมพูดแปลกผมสามารถพูดคนปกติเงี้ยกายเป็พิการได้ทุกคนเเพราะว่าคนคนในเมืองไทยเนี่ยคนพิการเลยไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่ผมพูดออืแปลกนะอคนพิการในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่ผมพูด แต่คนร่างกายไม่พิการแต่ใจพิการเน่ยตนใหญ่เป็นโภชัยมักจะคนไม่ใช่ <c oughs> เฉพคนที่เป็นทางน่ะอาจารย์อาจารย์ผมตื้อได้เพราะว่าอาจารย์เป็นคนเก่งอะไรเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่ฝึกปฏิบัติตำได้อะไรเนี่ยแต่ว่าน่าจะทุกคนมีความสามารถได้มีมีทุกคนถ้ารู้สึกตัวเองได้ก็ตัวเองก็ผมตื้อได้หรือว่าแบบผมตื้อได้อะไรเนี่ยตัวเองก็เป็ม เป็นไม่ใช่อาจางหรือว่ามีความฐานะหรือว่าไม่ไม่คิดว่าอือาจารย์เป็นอาจารย์ได้ไแด่ว่าตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่จริงๆ <grac ia, S 1> ไม่ใช่อย่านัอยากให้เป็นทุกกรมโอ้ทัวทําทได้อะไรย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นก็เลยอยาก ใ, ให้ ม, มี<ช>ความมั่นใจความมั่นใจความมั่นใจครับผมไม่ได้เรียกคนคนุณพี่อย่างผมคนพิการทุกคนเนี่ยผมไม่ได้เรียกว่าคนพิการครับทุกคนที่พิเศษคนที่พิเศษพิเศษ ก็หมายที่กองกบพิเศษกองพิเศษคืออะไรก็พิเศษพิเศษเขาใจก็เทวคองพิเศษก็นึกถึงดีพันก็อาจจะไม่ใช่คนเดือนดีเท่านั้นเรามองว่าคนอย่างฟ้าอย่างอาจารย์อย่างผมทุกคนเนี่ยทุกคนใช้ชีวิตแบบมันไม่เหมือนกันออย่างคุณฟ้าเนี่ยคใช้ชีวิตสะดวกอย่างผมเนี่ใช้ชีวิตไม่สะดวก แ่แ ค, ความไม่สะดวกกับความสะดวกเนี่ยนะมันมีความต่างกันตรงไหนเพราะว่าเพีงแต่เราใช้ชีวิตไม่สะดวกไม่มีความพิการแต่ใช้ชีวิตที่ไม่สะดวกเหมือนคนปกติเอาพูดถึงร่างกายพูดถึงร่างกายคร่ะร่างกายนะ อ, อันนี้ใช้ชีวิตที่ไม่สะดวกทีนี้มันต่า ง, างกันที่อีกัานคือจิตใจความสะดวกความสบายมันต่างกัน ชีวิตของคนที่มีความสะดวกเนี่ยมันมีทุกอย่างอืมีรถครับมีบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตทำอะไรก็สะดวกกันแต่บางทีเขานอนไม่หลับก็จิตใจเขายังไม่สบายเพราะวันนี้ตังหาที่ว่ามันเป็นความพิการอยู่ตรงนี้มีตรงที่มีทุกอย่างมีครบทุกอย่างอมีพรบทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีความสบายยังนอนไม่หลับยนี้ยังฆ่าตัวตายกัน คนพิการที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ค่อยมีนะอันนั้นคือเขาใช้ที่ที่คนที่ปกติที่ฆ่าตัวตายเนี่ยชีวิตสะดวกทงงั้งเงาะกินอิน่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกนี่คือชีวิตที่สบายเราดูที่ว่าคนในสังคมในโลกนี้แหละคนที่สร้างภาระกับสังค ม, มสร้างปัญหาให้กับสังคมเนี่ย คนที่มีร่างกายปกติีคนมีร่างกา ย, ยพิการอไปตัวในเรือนจําเนี่ยในคุกอ่ะคนในคุก อ, อ่ะคนพิการไม่ค่อยมีอ่ะแล้วคนที่เดินขบวนตีกันนะคนพิการไม่ค่อยมีอ่ะแต่อย่างไรก็ต า, <puff> ตามนะคนที่ร่างกายไม่สะ ด, ดวกก็ต้องขอพึ่งคนที่มีร่างกายสะดวกก็นนะก็ต้องขอ <Bull> ให้เขาช่วยเหลือเราอยู่ดีแ ล, <S <S แล้วแต่ก็เราถึงย่งไรก็ตามนะท <P> ั้งพี่ผมแล้วคนพิการทั้งหลาย ก็พยายามที่จพึ่งตัวเองอแล้วก็ทําประโยชน์กับสังคมเท่าที่เราจะทําได้คนที่มีร่างกายพิการหรืออาจจะไม่ใช่ร่างกายก็ได้นะคนที่มีพิการเนี่ยก็หลังจากพิการแล้วก็มีเป้าหมายคนชีวิตมีเต็นกันได้เพราะว่าเป็นอยากอ ย, กอยู่กับพิการได้ยังไง เ, เ, เป็นเป็นเป้าหมายคนชีวิตได้อยู่แล้วก็เลยน่าจะ แต่คนที่ไม่มีไม่คนที่ร่างกายสมบูรณ์เนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายของชีวิตก็มีหลายอย่างก็เลยอาจจะเลือกไม่ได้อะไรเนี่ยหลายอย่างเลือกไม่ได้คปกติเลือกไปเยอะมีการมีทางเดียวใกล้ใถล้เปาถ่ายนะคะถ้าแต่อนนยู่กับพิการได้ยังไงก็อยู่กับชีวิตได้ยังไงนี่เป็นท่าถายก่อนท่าถายก่อนชีวิตท่าถายความสามารถของแต่ละคนคนปกติเนี่ยนะ เออมีพิการก็น่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมได้ถ้าคนพิการทําท่าถ่ายอย่างนี้ก็อาจจะคนลบข้างก็มีอิทธิพลจากคนไม่ได้เมืองอาจารย์เลยผมมีเพื่อนคนพิการในในเมืองไทยเนี่ยคนพิการมีเยอะเลยนะรู้จักเยอะเลยแต่ผมมีเพื่อนอยู่คนเดียวมีเพื่อนคนพิการอยู่คนเดียวใครคะมีรักมีรักในเมืองรู้จักกับผมมากมาคุยแต่ว่ามีเพื่อนอยู่คนเดียวคือคนเดียวที่เราสามารถพูดให้เขาค้ถ่ายชีวิตได้ คนอื่นเไมเอาเขาะเอาแต่ข้าวม้วแต่ไปเลือกเส้นทางอื่นเส้นทางของผมเนี่ยเขาไม่เคยเลือกแต่มีคุณวีละเนี่ยเลือกเส้นทางอันนี้กองผมเลือกทิศที่จะท้าทายแบบนี้ ท, า ท, าท้าทายในเชิงที่แม้แต่คนปกติก็ไม่อยากจะท้าทายผมไวะงั้นเาทำอยู่สามอย่างผมบอกให้วีระทําอยู่สามอย่างท้าทายทิศอยู่สามอย่าง อย่างแรกก็คือในท่าที่เรามีร่างกายไม่ปกติบางทีเ่าเราต้องใช้ ช, บบชีวิว<ม>ตแบบ ช, <ม>ช่วยตัวเองให้มากก็การที่รอการช่วยเหลือจากผู้อื่นช่วยตัวเองให้มากก็การที่จะรอคนอื่นมาช่วยเราอันนี้คือค้อแรงลกมมมมมไม่เรียกร้อไม่เรียกร้อื่นมาช่วยเราให้เขาช่วยเราด้วยความเมตตา<ม>ให้เขาช่วยเราด้วยความเมตตา<ม>เรา ไม่ต้องขอร้องขอร้องแต่ว่าเชื่อว่าอยากช่วย อ, อยากช่วย อ, อยากช่ออยกชวยอไม่ได้ขอร้องว่าฟ้าช่วยผมไปฟ้าเห็นโ อ, อ, อ, อ, อ้อยากช่วยอยากช่วยอต้องแบบนั้นอันนี้ข้อแรกนะข้อดี่อเนี่ ย, ยไม่เฉพาะคนพิการจะบอกคิดได้ทั่วไปคนปกติก็ใช้คนนี้คือข้อดี่อเนี่ยเราบอกว่าต้องเป็นคนมีน้ำใจอ ม, มีน้ำใจพยายามที่ช่วยเหลือคนอื่นให้มากเห็นประโยชน์คนอื่น มากกับประโยชน์ตนเองอืช่วยเขาไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรบางนี้คนพิการไม่สามารถจะช่วยอื่นได้ด้วยกําลังกายแต่เรามีกําลังใจให้กําลังใจคนปกติให้กําลังใจถ้าหากว่าให้กําลังใจไม่มีคําพูดอะไรก็ตา ม, มไม่มีคําพูดบาทีพูดยังไงก็ยิ้มให้เขาอันเนี้คือเสน่ห์คนพิการคนที่มีร่างกายเป็นปกติ แต่ทําหน้าเครียดดูขุ่ววัวนี้แล้วพี่การยิ้มยิ้เนี่ยใครมีทะนเหมอนกันใครอยากเข้าใกล้อกสร้างความตัวกับสังคมโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยน ะ, ะยิ้มอย่างเดียวเนี่ยผมเคยนั่งรถคันนี้แล้วก็เหนหน้าไปยิ้มบางคนเนี่ยผมได้หนึ่งบาทเขาตายให้ผมหนึ่งบาทสะวจเลยะครับนึกว่าเป็นขอทานไม่ได้ลงทุนแ ท, นทกซี่เ เราทุนนี่เ <families> ง <in the desert> no um. ินเยอะได้เก <in> ินเพื่อนได้กําไรเลยแต่กำไรเกินคุ้มเลยกำไรเกินนีข้อที่สามอันนี้สําคัญนะไม่ใช่เฉพาะคนพิการผมเจออย่างคนพิการอย่างคุณวิระบอกว่าวิระอยู่แบบใจไม่ทุกข์ใช้ชีวิตอยู่แบบใจไม่ทุกข์มันเป็นทุกข์เฉพาะร่างกายเพราะความไม่สะดวกอแต่อยู่แบบใจไม่ทุกข์เนี่ย แม้ร่างกายจะมีความทุกข์มันก็ไม่ีแปลไม่มีปัญหากับจิตใจก็กินอิ่มนอนหลับครับถ่ายสะดวกเนี่ยคนที่พิการเนี่ยร่างกายก็มีทุกข์อยู่แล้วถ้าใจเป็นทุกข์เพราะความพิการด้วยเนี่ยมันทุกข์ทั้งกายทุก์ทั้งใจขอให้เป็นทุกข์เฉพาะร่างกายแต่ใจเนี่ยให้ลาออกจากควา ม, มทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรม สามข้อข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง ค, คือช่วยตัวเองให้มากๆข้อที่สองมีน้ำใจกับคนทั่วไปข้อที่สามทำใจไม่ให้ทุกข์สุดยอดเป็นความพิการเน่ <c oughs> มันตองเป็นคนพิการที่มีระดับเจ็บ <c oughs> พิการไฮโซตรงนี้คนสุดท้ายพูดมากมามกมาเขาทํางานบริษัทของทํำงานบริษัทเอ๊ะทําตัวละตั เขาบ้านอยู่เดี๋ยวใกล้ๆพุกอภิษีนะคะเขาก็เป็เมนหลักอยู่เนคนมนหลแล้วก็เมื่อวาก็มารับที่สนามบินก็เลยอยากพบอาจารย์มานานแล้วก็เลยเขาอินดีนะคะอินเีที่ได้รูจากเรามาเจอเป็นที่ปปีน้าว่าเนาเขาฝึกปฏิบัติตามที่สุกต่อไปสุกต่อโพดีเวลาเดียวกับเวลาช่วงวงเวลาเดียวกันกลมกลมกันเลยอื ก็ก็ชอปชอบกิจจชอปกีฬานคะชอกีฬาคุณผู้กอบุ๊ดทุดวยแล้วก็ปั่นจกยาปันจกรยานแล้วก็วิ่งปั่นจักรยานรอบเกาะไตหวังแล้วก็วิ่งโคต้จักรยานแล้วแล้วก็วิ่งวิ่งก็หนาเอยวิ่งวิ่งตามโอ้วิ่งหนึ่งพันกิโลที่เวียดนาม ร่างกายก็รู้สกแข็งแรงก็ active มากอาจจะต้องการก้างกับคนที่กานแต่ว่าก็ตั้งชิ่วๆอยากอยากอยากให้สมบูรณ์กว่านี้อยากให้ดีกว่านี้ก็เลยเขาอยากจะช่วยแล้วก็อยากจะพบอาจารย์แล้วก็อยากจะช่วยเรื่องอะไรบ้างก็เลยก็มาพบมามาครั้นี้มาเพื่ออยากเจยอาจารย์แล้วก็อยากช่วยก่อนกันนี้นะร่างกายแข็งแรงแต่ใจยังไม่แข็งแรง เขามีคำถามมีคำถามคำหนึ่งนะคะอันนี้ตที่ตอนที่เรืองที่ประสบประการของทัวแอรนะคะตทีตท่ต้องเป็นเด็กดเห็นเห็นสว่างแล้วก็เห็นเห็ <S <S นแ MM. สงสว่างสสว่างส่งใช่ใช่สว่างเได้ายอยากที่เห็นแสงว่ายัง <laughs> <laughs> ไงอยาเห็นบ้างแสงสว่างแสงสว่าง แล้วก็ลู้สึกมไมช่ซูมลูซแตบาบายเจซาบจลูซ์ลูซูมจายหรือว่าจูมจายลูซ์จูมจายต้น p กก็ต้นเป็นเด็กเด็กกแต่ว่าอิ่งอ <asc ans. S 1> ิ่งตึแล้วก็ไม่รู้สึกเป็น PT อะไรเงี้ยเรื่องนี้ทาไมเป็นอย่างนี้เขาเคยถามอาจารย์ยุกิอาจารย์ยุกิบอกว่า เพราะว่าไม่ไม่อยู่กับปัจจุบันอะไรเนี่ยเอเขาอได้แล้วก็สงสัยว่าอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยก็เลยอยากถามว่าพัสดุประกอบของเขาเองเนี่ยก็ก็คำตอบก็อ่างจางอาจารย์ยุกิเนี่ยก็อยากสงสยัยเยอะก็เลยอยากจะถามเรื่องนี้นะครับอ อ, อยากเห็นแสงเหมือนเดิม<ต>จะได้มีปีติอยากมีค่ะ อยากแข็งมีได้มีได้มีได้ทุกวันด้วยอยากจะมีก็มีตลอเวลาเลยมีได้ทุกวันแต่ขอแนะนำอยู่อย่างเป็นเทคนิคปีติมีอยู่เอาความอยากออกนหจะเกิดปีติทันทีไอ้เพราะความอยากมันบางเพราปีติไม่เกิดปีติมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนความสบายใจมีอยู่แล้วในคนทุกคน แต่ถ้าเกิดมีความอยากขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบางบางปิติหมดเลยถ้าเราทําใจไปกลางๆมีปิติก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะใจเราไม่เข้มแข็งไงเรามีความอยากมากเกินไปเนี่ยรับรองปิติไม่มีการเกิดสรุปลงที่ว่าการวิ่งการขี่จักรยานขึ้นภูเขาฟูจิต เป็นการบริหารร่างกายแข็งแรงได้ฉั้นใดการฝึกเจริญสติออืทําให้จิตใจนิแข็งแรงได้ฉันใดึใดใใ่ ง, รงบริหารกายแข็งแรงต้องวิ่งนะ <yellow> บริหารจิตให้แข็งแรงต้องทําสติทําสมาธิปิติจะเกิดบ่อยมากแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์ยุกิพูดเนี่นยก็สอดคล้องกับภาษาจีนที่กล่าวเสมอมลยภาษาญี่ปุ อีมาโกโกนะเขาดีใจมากที่เขาสอนใจก่อนหลานแล้วแต่ว่าก็รู้สึกได้แล้วโกรู้ได้แล้วอาจารย์โกโก้ก็อาจารย์ไม่ได้ชีวิตได้ชีวิตนุ่มานทำงานเต็มที่หรือว่าตรงเขาก็อยาก อากคือปฏิบัติธรรมเหมือนนี่แหละปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละเนี่ยทำปฏิบัติธรรมคือการทํางานเนี่ยแล้วก็เติมสติตั้งใจทำานสิ่งที่เราทําเฉพาะหน้าชีวิตก็อยู่กับปบัจจุบันตั้งใจทํากับสิ่งที่เราทําเฉพาะหน้าเนี่ยเฉพาะงานนั่นหล ะ, ะมันก็มีการฝึกสติโดยธรรมชาติอยู่แล้วทุกคนก็ปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดเนี่ยขอให้ตั้งใจเอาใจจดจ่ออยู่การทํางานมีทั้งสติมีทั้งสมาธิ และปีติจะเกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังทํางานเรากวาดบ้านตั้งใจกวาดบ้านอย่างมีสติอยู่กับบ้านใจนี้ก็มีความสุขพัดเสื้อผ้าก็มีความสุขในการปฏิบัติธรรมผมเนี่ยพัดผ้าผมทำช้าๆทำเพื่อจะทําไม่ได้ทําให้มันเสร็จไม่ต้องรีบร้อนทําเรื่อยๆยังมีสติก็เป็นการปฏิบัติทําก็มีความสุขกับการพัดพระผม ทำเพื่อจะทําไม่ได้ทําเพื่ออะไไม่ต้องรีบทาทําไปเรื่อยๆมันก็มีความสุขดูแลอย่างดูแลอาจารย์ดูแลช่วยเหลืออาจารย์ด้วยความเต็มใจเนี่ยมันก็มีปีตินะเนี่ยปฏิบัติทําช่วยเลยค่ะไม่เคยได้ช่วยไม่มีใครช่วยทำเองทุกอย่างแล้วก็อาจารย์คนนี้ก็ก็มีงานเยอะก็เลยปฏิบาติจะทุนทําอย่างนี้เน้องแล้วก็เกิด ก้าววงขึ้นมานีอแต่ว่าเมื่อี้อาจารยบ์บอกว่าจะต้องอยู่กับปัจจุบันในงาน น, นเป็นำคำตอบนี่าปฏ<า>ิบัติทำงานที่เราทำเนี่ยนะงานที่เราทําเนี่ ย, นะ ง, าาายงานนั้นคืองานอะไรถ้าเป็นงานที่มีคุณค่าเนี่ยงานไม่มีคุณค่านะงานช่วยลวอลไรคนอื่นทำประโยชน์ให้คนอื่นหรื อ, อทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันหมดปัญหาเนี่ย งานเป็นงานที่มีคุณค่าแล้วใครก็ตามที่ไปทํางานที่มีคุณค่าแบบเนี้คนคนนั้นกลายเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยค่าของคนเนี่ยอยู่ที่ค่าของงานนะเอาเยอะตัวอย่างด็อกเตอร์คุณหมอเนี่ยเขาช่วยเหลือช่วยเหลือคนไข้อย่างคนไข้ปวดฟันเนี่ยอะคนไข้คนไข้ปวดฟันมาหาเนี่ยคนปวดฟันเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุข มันมีความทุกข์มากใช่ไหมใครก็ตามที่ไปช่วยคนปวดฟันเนี่ยให้หายปวดฟันได้เปลี่ยนความทุกข์เขาเป็นความไม่ทุกข์ได้เนี่ยงานมันมีคุณค่านะแล้วคนที่เข้าไปทำอย่างนั้นน่ะการผู้ที่มีคุณค่าคนไข้ที่เป็นโรคผิวหนังนี่นะคันอนอนไม่หลับเขาก็มีความทุกข์ยิ่งคันก็ยิ่งเกา แต่ถ้ามีใครก็ตามช่วยทําให้เขาเนี่ยหายคันเอี่ยเอายาไปทาหายขันปะเขาก็นอนหลับสบายงั้นนั่นถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าและคนที่ไปช่วยเขาเนี่ยจะมีคุณค่าแค่ไหนครูที่สอนหนังสือก็เหมือนกันให้เด็กที่โง่กลายเป็นเด็กที่ฉลาดขึ้นมาเนี่ยแล้วคนที่เข้าไปช่วยเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยถ้างานนั้นเป็นงานที่ต้องฆ่าคนน่ะ งานฆ่าคนเป็น ง, งานเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยไม่มีคุณค่าหรอกออถ้าผมไม่สอนวิธีการฆ่าคนทำอย่างนี้เนี่ยผมว่าการเป็นคนที่มีคุณค่าอยากเป็นคนเก่งไหมอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นคนเก่งไหมอยากเป็นคนมีคุณค่าไหมมาช่วยเหลือคนพิการ <laughs>